าถ้าอย่างนั้นก็ผมจะคิดเอาอย่างทั้งโลกๆนะแม่ครหมายราะว่าถ้าระ ด, ดับคณะบดีอ่าคณะระดับไม่ใช่คณะบดีสูงขึ้นไปอะไร น, นะอาธิการบดีเนี่ยสมมติว่านะผมบ้มเลยเนี่ยนะจะสอนนี่ก็หมายความว่าสอนในระดับสูงแล้วแต่ส่วนแค่ยาตาปริญญานี่ก็องไปเรียนกับ อาจารย์ดำล่างๆนั้นเป็นงั้นหรือเปล่าครับเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาสมมาสอนอะไรครับในยากิปัญญาจริงๆแล้วสมัยพุทธกาลจริงๆอนะผู้ที่ฟังธรรมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นเป็นอธิการบดีจริงๆจริงๆเป็นเป็นที่สาปาโมกสะส่วนใหญ่ที่สาปาโมกสมัยใหม่ก็คือที่การบดีจริงๆนะก็อ่านดูติกษัตริย์มั่งพรามมั่งที่เรียกว่าโหจบมาไม่รู้กี่สาขาแล้วอ่ะ เขาเแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยกี่กลับกันแล้วสร้างสร้างบุญมาเนี่ยนะถ้าว่าโดยพันเขาพูดกันสื่อกันไม่กี่คําเนี่ยบางทีเขาก็พูดเองเราเขาถามอะไรเนี่ยเรายังฟังไม่ออกหรือเขาถามมา่ายังไงเนี่ยเนี่ยนะซึ่งมีเยอะสูดจริงจริงเนยอย่างโทนทพราม์เนี่ยบอกว่าท่านอย่างโทนตพราหม์ถามพระพุทธเจ้าบอกท่านเป็นยักษ์หรือไม่ใช่ท่านเป็นพราหม์เออท่านเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่ท่านเป็นเทพหรือไม่ใช่ท่านเป็นคนทานหรือไม่ใช่บอกไม่ใช่เอาแล้วถามพรงษ์เนี่ยพงษ์เป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือ ทำไมพระองค์ปฏิเสธว่าเป็นมนุษย์แต่ทนตะพรมถามว่าชาติหน้าท่านจะเป็นอะไรแต่คำพูดที่ถามเนี่ยว่าชาติหน้าท่านจะเป็นอะไรเนี่ยนะคือคำพูดของเขาเนี่ยเขาแบบไม่คุยกันแบบว่าเธอมาจากไหนอย่างเงี้ยนะแบบลักษณะนั้น่ะนะเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอไม่รู้หรือเธอรู้หรือ คำถามแบบเนี้นะถ้าบอกว่าถ้าทันเป็นค <ces> ําถามแบบธรรมดาเนี่ยเขาไม่รู้จะถามกันทําอะไรก็รู้กันอยู่แล้วอย่างเงนนะคือทําให้เห็นว่าคนสมัยนั้นเนี่ยเขาเขามีปัญญาจริงแม้กระทั่งอย่างธรรมะที่เราสนทนาพูดคุยกันอยู่นะใช้ศัพท์เมื่อกี้เนี่ยถ้าคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยแทบจะปิดเทปเลยถ้าเอาเทปไปฟังเนี่ยนะไม่รู้เขาคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่างเงี้ยนังเกตว่านั่งฟังกี่ปีนะก็ก็อย่างนี้จริงๆเพราะว่าเพราะว่าจนกว่าจะคุ้นเคยนะจน คืออย่างเมืองที่เราไม่เคยไปเนี่ยอย่าว่าแบบเนี้เลยแม้แต่ที่เป็นรูปธรรมนะอย่างบ้านคุณหลานเนี่ยถ้าให้ลงไปแล้วให้มาไปเองนะไม่มีทางไปถูกไปเชื่ออยู่เฝ้าแถวดอนเมืองแถวนั้นไงไม่ต้องไปไหนแล้วให้ไปเองอะนะถ้าสมมุติว่าเออเนี่ยให้มีรถเลยแนละ้วท่านเป็นคนบอกทางกันแล้วกันเนี่ยไม่ต้องไปกันแล้วอยู่นี่แหละนี่นก็ขนาดถามว่าไปเท่าไหรนะ่เราบอกไปยี่สิบกว่าครั้งแล้วสามิครั้งแล้วนะไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้หลับไป น, ะนั่งตื่นไปนี่เลย เอออย่างยากอย่างนั้นเนี่ยนะก็ไม่รู้แหละแม่เนี่ยไปด้วยกันเนี่ยคนมารับยังหลงเลยมันเนี่ยกหลังใหญ่ถึงยื่นไม่ได้หลงคนเดียวนะคนเออเนี่ยมันเนี่ยนะม้าคันตก่านี้เขาสังสมอุปนิสัยดีเพราะว่าไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ลงจากสวรรค์แล้วมาฟังบรรลุเนี่ยนะตอนที่เเป็นม้าคันตกานเขาก็ไม่ได้ทำ อ่าเขาบุญเก่าเขาเยอะแหละคือคือจริงๆเนี่ยนะบางคนเนี่ยที่เขาบรรลุเนี่ยคือเขาจะไม่มองเฉพาะไอาชาติใกล้ๆนี้หรอกอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าไปส่งครอบมันดูกาเทพพระบดเนี่ยที่ไปส่งครอกบกบอ่ะนะไปเห็นกบเ อ, อ่ะแล้วกบตายไปเกิดเป็นในสวรรค์แล้วลงมาฟังคำอย่างเงี้ยถามว่าถ้าพระองค์ไม่มองการไกลอะไรเข้ามาสั่งสมมาแล้วพระองคจะไปส่งครอบกบตัวนั้นทําไมเนี่ยนย ญญเกิดถ้าเป็นผู้ที่ทำปริญญาเป็นจุลโสดาบันเนี่ยนะมันยังไม่แน่นะดีว่าพวกกบเป็นต้นเนี่ยเกิดในสมัยพุทธกาลถ้ามาเป็นกบยุคนี้แล้ว <laughs> ได้รับเขาซื้อไปปล่อยนี่ก็บุญหนักหนาแล้วเนี <laughs> ่ยถ้าเป็นกบยุคนี้เออดีเป็นกบสมัยพุทธกาล อันนี้คือคือมันต้องเลือกว่าเป็นกบสมัยไหนด้วยเหมือนกันนะงั้นเลยเพราะฉะนั้นในอัคขณะสูตรเนี่ยนะอัคขณะสูตรใช่ไหมสมัยขณะและสมัยที่ไม่ใช่ประพฤติพรมอาจารย์มีอยู่แปดอย่างนะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์แสดงธรรมอะ่ะจะไพล่ไปเกิดในรกยังไงก็จบเลยนะสองไพร่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเกิดปเป็นเปติวิสัยไปเกิดโน่นเป็นอญญาศันยสัตว์ไปเกิดเป็นอรูปพรหมไปแล้วหรือมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เผ่าไห น, นะคะนี่ ปัจันต์ประเทศเนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้าอยู่เม้ามาอยู่แถวนี้แหละมาอยู่พาราณสีอะสมัยนะั้นแต่เป็นปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยทําอะไรได้งี้ยไม่ปัญญาอ่อนฉลาดมากแต่มิจฉาทิฏฐิเข้าเป็นเนี่ยเป็นกลุ่มวัชจันทร์ที่เราเห็นอยู่ขวามือเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะเสร็จ แ, แล้วเกิดมาแล้วมีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรม คือเพราะปัจจัยไม่พร้อมเนี่ยพงษ์ไม่แสดงธรรมนะพระองค์ไม่ใช่ว่าพราะงค์นี่เป็นการันตีบุคคลอย่างเช่นในเมืองสาวเมืองพารณาณสีนี่แหละมีโยมเขาเคยทำคือของมาเคยเล่าว่าพารณาณสีนี่มีอยู่เศรษฐีคนหนึ่งก็นนงนนงมีลูกชายเแ็จแล้วก็บอกว่าออกลัวลูกชายจะลําบากสอนให้มันเล่นวิชาแต่ดีดสีตีเป่าก็พอละอีกฝั่งหนึ่งก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเหมือนกันก็เลยบอกโอ้กลัวลูกสาวเราลำบากก็เลยสอนวิชาดีดสีตีเป่าแล้วท้องสองคนมาแต่งงานกันเข้าอะไรจะเกิดตอนหลังก็เลยเห็นนะ เอาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเต้นระเบมกินเหล้าเมายาแล้วก็นักเลงการพนันเข้ามาเลยก็เลยนักเลงสุราก็เลยชวนไปกินเหล้าทีนี้เหล้าเข้าอะไรก็ตามมาหมดแล้วกันเนี่ยในที่สุดแกขอทานอะ่ะชวนเมียไปขอทานกินแก่และงอมเต็มทีขอทานอยู่ข้างทางเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยโปองบินธบัดยิ้มให้พานนท์พานนท์เห็นว่าโป่งแย้มพ่อเหตุอะไรพระเจ้าข่าก็บอกว่านี่นะสองคนนี่นะ ถ้าเขาทํามาหากินนั่งกับสมัยนมนมนะเศรษฐีเมืองนี้เขาเป็นเลิศถ้าสามีออกบวชเป็นพทารหันถ้าภรรยาออกบวชเป็นพระอนาคามีก็บอกว่าถ้าเขาประกอบอาชีพตอนกลางคนนะทั้งคู่จะเป็นอนุเศรษฐีในเมืองนี้เป็นเศรษฐีระดับสองว่างนะั้นเลยถ้าเขาออกบวชผัวจะเป็นอนาคามีเมียจะเป็นพระโสดาบันแต่อีกบอกถ้าทํากินตอนปลายคนจะเป็นเศรษฐีระดับสาม ถ้าออกบวชผัวจะเป็นพระสะกท า, าคามีเมียจะเป็นพระโสดาบันแต่ตอนนี้ประโยชน์ทางโลกก็หมดตัวทางธรรมก็ไม่ได้อะไรก็เลยกลายเป็นคนแก่ที่นั่งคิดถึงแต่ทรัพย์ในอดีตเหมือนอย่างนกกระเรียนเท่าที่ยืนอยู่ในที่เปือกตมที่มันหมดน้ําเออมันแห้งแล้วนะเป็นนกกระเรียนเท่าที่กไปไหนก็ไม่ได้แล้วไปอยู่ในที่ที่น้ํามันแห้งหมดปลาก็ไม่เหลือเลยนะก็นั่งนึกถึงอ่ะ ชบสาวถึงซับในอดีตเป็นต้นทีนี้มีโยมเขาถามว่าโยมคุณพิสนุกนะเขาถามมาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่ไปสงเคราะห์เขาละ่ะเนี่นะทำไมไม่ไปสอนให้เขาเป็นพระอรหันต์ให้เขาออกบวชทั้งแต่เด็กๆเลยหรือไม่ทำไมไม่แนะนำเขาอะไรเขาอย่างกว่ามันแนะนำง่าย mm hmm. ก็เหมือนอย่างว่านะอย่างสมมติว่านักเลงการธนานบางคนเนี่ยเขามีสตังค์อยู่ยางไงนะ จริงๆนะเงินระดับนี้เขาสามารถซื้อบ้านก็ได้ซื้อรถก็ได้แต่เขาเดินเข้าบอดนะกลับมาหมดตัวเนี่ยนะก็คือผู้รึท่าวาดนะถ้าเขาตามที่ทุนที่เขามีอยู่เขาสามารถทําอะไรได้แต่บางคนเนี่ยเก่งจนขนาดว่าไม่ไม่ไม่ให้พระพุทธเจ้าแนะนําอยู่แล้วนะบางคนเนี่ยปิดกั้นตัวเองโดยรอบนะก็อย่างที่ว่านะก็อย่างเนี่ยลองจะไปอ่านพไตรปดฎกให้ใครฟังดูเถอะจริงๆแล้วปัญญาเขาเรียนได้นะถามเขาออไหมล่ะ นั่นนะไม่ง่ายจริงๆอยู่ความสามารถระดับเขานี่เขาเรียนได้อยู่แล้วละ่ะแต่เขาไม่ยอมมาเนี่ยจะไปทําอะไรได้เนี่ยนะเพราะว่าธรรมหลับธรรมทางศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่บีบบังคับกันได้เพราะมันเป็นอะไรนะมันเป็นคุณธรรมทางจิตใจเนี่ยนะ<ม>ถึงรู้อยู่ก็ไม่รู้จะคุยว่ายังไงอย่าว่าให้ของมาบางแับบางคนนี่เขาเรียนได้แต่เราคุยกับเขาไม่ได้ความสามารถเขาก็ได้อะไรก็ได้หมดะ่ะแต่ว่าเขาเขาก็เขาก็คนหนึ่งล่ะมันกันเถอะ ไม่รู้จะไปคุยว่ายังไงเอาะอย่างว่านะเครื่องเล่นช้ามีอยู่สามอย่างใช่ไหมมันเข้ากันพอละอย่างสองอย่างอะไรตันหาบ้างทิฏฐิบ้างมานะบั้งอ่ะนะก็ก็พอละอย่างสองอย่างอะไรนั้นการที่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สู้ง่ายเลยทําไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยไม่ได้ตั้งอัตตะสัมมาปณิทิมาในจึงยากมากะนั้นการตั้งอัตตะสัมมาปณิทิเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมาก แสดงไว้ในธรรมะหมวดหนึ่งอังคุตรนิการเอกา น, นิบาตเลยแม้กระทั่งในอุทานนี้ก็กล่าวคือการตั้งอัตตะสำ ม, มาปฏิทิปเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะพองตัดว่าไม่มีอะไรที่จะมีโทษเท่ากับจิต ท, ที่ตั้งไว้ผิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมีคุณเท่ากับตั้งจิตเอาไว้ถูกเนี่ยนะถ้าตั้งจิตเอาไว้ผิดแล้วเนี่ยนะมีโทษยิ่งกว่าโจรโจกเจอโจรโจโกเนี่ยนะมหาโจรเจอมหาโจรที่เรียกว่าคู่เวรกันมา เขว่าประตสลายก็ทําลายได้ไม่เท่าไหร่ยังมากก็แค่ตายไม่ได้ทําให้ตกนรกอะไรแต่ถ้าหากว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดนะก็ตกนรกชั้นใดจิตที่ตั้งไว้ถูกนะอะมีคุณยิ่งกว่าแม่พ่อแม่จริงๆแม่นี่หยิบยื่นจกักรพรรดิสมบัติให้ไม่ได้เพราะจากักรพรรดิสมบัตินี่ไม่ได้สิ่งที่ทอดมาโดยมรดกแต่ว่ามาโดยบุญของตนเพราะฉะนั้นแม่อย่างมากก็ให้ได้สมบัติเท่าที่เห็นอยู่แต่จกักรพรรดิสมบัติแม่ให้ไม่ได้ จิตที่ตั้งไว้เนี่ยสคัญมากเลยการตั้งจิตเนี่ยนะถ้าจิตไม่ตั้งแล้วสมมตินะอย่างอย่างเรามาเนี่ยมามาสังเวชนินีจะถานถ้ามีมีน้อยคนนักที่ไม่เคยตั้งแล้วพอได้ข่าวปั๊บมาเลยทันทีโดยไม่ต้องตัดสินใจอะไรเลยนะไม่เคยคิดว่าจะมาด้วยไม่ได้ตั้งไว้ด้วยอะไรไว้ด้วยซักอย่างแล้วมาจริงเนี่ยจะแปลกใจมากๆแต่ว่าคนประเภทนี้หายากมาก แต่จริงๆก็เป็นผลพวงจากการที่เขาตั้งเอาไว้แล้วนั่นแหละเขาจึงได้มาเพราะฉะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการตั้งจิตเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยสมมุติถ้าไม่ผู้ที่ไม่ตั้งจิตเอาไว้นี่ยากเพราะการตั้งจิตนั้นมีอุปการะคุณมากเพราะฉะนนั้นเวลาทําบุญเราจึงพยายามตั้งความปรารถนากันโบราณเขาก็สอนให้ตั้งความปรารถนาด้วยในพุทธพจน์ก็สอนให้ตั้งความปรารถนาด้วย แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระองค์ก็บรรลุพระโพธิ์ปรารถนามาดีถ้าพระองค์ไม่ตั้งความปรารถนามาจากได้ไหมไม่ตั้งความปรารถนามาจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระนนจะเป็นผู้มีปัญญาแบบนี้ไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เคยตั้งความปรารถนามาพระสารีบุตรเป็นต้นถ้าไม่เคยตั้งความปรารถนามาคุณธรรมเหล่านั้นท่านจะไม่ได้เลยแต่เนื่องจากอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งจนเอาไว้ชอบถ้าเราหนึ่งนะถ้าเราไม่ตั้งใจว่าจะศึกษาพระธรรมเนี่ยถามว่าจะได้ศึกษาไหม ถ้าไม่ตั้งใจจริงๆนั่นไม่ได้อ่านหรอกพระไตรปิฎกไม่ตั้งความปรารถนาแล้วก็พูดถึงเปิดเผยคือที่ได้อ่านพระเถรีต่างๆที่ท่านเป็นพระอรหันเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาทุกพระองค์แต่ต้องถูกพยากรณ์ด้วยหรือเปล่าเจ้าคะพระคุณจ้าต้องดูว่าสิ่งที่ปรารถนาใ น, นระดับไหน คือถ้าปรารถนาแบบลักษณะที่พี่ปรารถนาถ้าอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นต้องได้รับพุทธพยากรอะไรอะไรเขาบอกควายมันมัรลูกเธอบรรลุใครแสดงก็ได้ให้บรรลุอ่านเองบรรลุ ก, ก็เอาหมดแต่ว่างั้นแต่ขอให้อขอบรรลุอย่างเดียวนะถ้าคิดอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโหบางแบบอะไรต้องมีคนประดับยศให้ด้วยนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยเอถ้าอย่างนี้ก็เรื่องยาวว่างั้นนะย ก็ทัพพุิพัสก้ก็ทรงตั้งอธิษฐานไว้คืออธิษฐานบารมีนะก็ไปเห็นในในอัตถกาถาที่บอกไว้ว่าวิธีตั้งวิธีบําเพ็ญอธิษฐานบารมีก็คือโดยสมาทานด้วยความไม่หวั่นไหวด้วยความมั่นคงในที่ทุกสถานในที่ทั้งปวงเพราะตรงนี้เนี่ยก็คือชัดเจนใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของ อ, อัตตาสมาเป็นนิธิ ก็ปัญหาสําคัญว่าทําไมไม่ตั้งอสิผมมาสนใจตรงนั้นมากๆมากกว่าคือทําไมไม่ตั้งที่จะเจริญล่ะเนี่ยแต่ถ้าตั้งไว้บ่อยๆเนเจริญได้แต่ที่ตั้งแล้วตั้งแล้วก็ล้มตั้งแล้วก็ล้มเนี่ยเพราะอะไรนะเพราะอดีตมันตั้งตรงเงินข้ามไม่มากแล้วมันเลยตั้งล้มตั้งล้มตั้งล้มเนี่ยนะคือคือก่อนหน้านี้มามันตั้งอีกตรงเงินข้ามมามากอย่างสมมุติในเราตั้งว่าเราจะต้องทําปริญญาให้ได้ มันจะไม่ได้ง่ายเพราะอดีตเราไม่เคยคิดจะทําปริญญามามันก็ต้องเป็นไปตามอะไที่เคยเคยมาตั้งไว้อย่างนึงอย่างเอเอ๊ะทำไมเห็นอะไรทําไมเราก็ยังโกรธอยู่เราก็แค่เราจะมีเมตตาแล้วนะเราก็จะหวังดีปรารถนาดีอ่ะถามว่าตั้งความโกรธนี่ยมันตั้งมานานแล้วพอจะมาตั้งให้เมตตาเพิ่งมาตั้งสักครั้งสองครั้งจะไปมีเมตตาได้ยังไงอเพราะตั้งไว้จะโกรธนานแล้วเนี่ยนะเคยเคยไอ้ ค, คาว่าตั้งคือขอให้มีจิตโน้มไปในเรื่องนั้นอ่ะเรียกว่าตั้งละ โน้มที่จะเห็นดีในสิ่งใดนะนั่นคือตั้งปัตตนาในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวถึงลูกของอนนทบินทิกะบรรลุธรรมเนี่ยทั้งๆที่รับจ้างไปฟังอานนะทําไมจึงบรรลุได้เพราะมีใจอยากรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนั่นแหละเรียกว่าเขารบธรรมมีใจอยากรู้เนื้อหามเป็นยังไงเนื้อหามเป็นยังไงลึกๆต่อไปมันเป็นยังไงใส่ใจยังไงไปเรื่อยๆติดตามแล้วบรรลุนะนั่นแหละเรียกว่ๆๆาเขารบธรรมเพราะตามกฎเกณฑ์ทางธรรมะถือว่าผู้เงี่ยโสดลงฟังชื่อว่ามีอุปนิสัย แค่ประสงค์จะรู้ว่าเขาว่าอะไรเนี่ยนะโดยไม่ใช่ประสงค์จะจับผิดนะแต่ปร ะ, ประสงค์จะรู้สิ่งนั้นนะ่ะเรียกว่ามีอุปนิสัยในสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นคําถามหนักๆหน่อยนะก็เลยท่านอาจจะรู้สึกนั่นนะก็ <c oughs> ก็ผมนึกวาดภาพนะว่าแต่ก่อนนี้เราคิกว่าเออเนี่ยนะเราจะได้ พ, พระผู้วิพากษ์และพระองค์ก็คงจะ เพื่อกูนเราแล้วก็บรรลุเลยงเ้ยนะนะเออไม่ใช่อย่างเง้ยนะตอนนี้ลงมาต่ำลงมาถึงระดับเนี่แล้นักเรียนมัธยมแล้วนะตะเกียกตะกายอบรมยังไงมันให้มันผ่านเอ็มไปก่อนงเง้นนะนะเอออยู่ดีๆจะไปหานู่นไปหาดีนไม่ให้สอนเราเนี่ยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะะเมันก็คงจะต้องลงมาประคับประคองหาติวะก็อาจารย์เป็อาจารย์โรงเรียนพิเศษอยู่แล้วอาจารย์ก็เป็นคนตรวจวิชาอยู่แล้วเพยายามให้มันแค่ผ่านไปก่อนนะนะเออตรงนี้นะก็อย่าท้อใจเลย นะมาถึงป่านนี้นะบางคนเขายังท่องที่ยวเล่นเล่นกันอยู่เลยเรานี่เข้าเรียน ว, วิชาแล้วใช้ได้แล้วแต่ก็อย่างว่านะกิจกรรมในการเจริญกุศลเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เป็นวิสัยของผู้สั่งสมบุญไว้แล้วเนี่ยนะซึ่งแต่ทีนี้เราก็อย่าเพิ่งนี่เลยบอกว่านี่เราได้ปลูกฝังอัธยาศัยที่ดีลงในพระศาสนาแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราควรจะดีใจในส่วนนั้นเพราะฉะนั้น อ, อย่างอดีตทั้งหลายมันก็คือวัตตนนะวัตตนมันก็เป็นอย่างนี้แหละ คนที่เดินไม่รู้ทางและไปถูกทางเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจมากๆว่าทําได้ยังไงเออตรงนั้นเนี่ยคือจะเป็นบุรุษอัศาจรรย์อย่างนั้นเถอะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยแล้วท่านเดินทางแล้วจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเอ้อนี่น่าอาัศาจรรย์แต่ถ้าเป็นบุคคลที่เหลือนี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าวิสัยของการที่จะสางชัดคือทิฏฐิทั้งหลายที่ปิดบังอริยสัจเนี่ยนะมีอยู่สองท่าน เนี่ยนะคือพระพระสยามภูทั้งหลายนั่นแหละเขาทํากันส่วนที่เหลือก็ต้องอาศัยก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรคาว่ากัลยาณมิตรอย่างตอนนี้ก็เหลือพระไตรปิฎกนั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยนะสัวนผู้อื่นอย่างมากก็กล่าวตามถ้าเมื่อใดที่เลิกกล่าวตามเมื่อ น, นั้นก็เริ่มพลาดละเพราะถ้าไม่กล่าวตามก็คือปฏิเสธถ้าปฏิเสธนั้นก็เป็นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแล้ว มันก็เปอร์เซนต์พลาดมันก็สูงอยู่แล้วทีนี้เราทำยังไงได้เพราะว่าวัตตะมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าวัตฏะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดไม่เป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิเมื่ออยู่เฝ้าวัตฏะแล้วเจริญแต่กุศลโดยส่วนเดียวไม่มีบาปมาเจือปนเลยนะแล้วสุขคติไปเรื่อยอย่างนีน้พองไม่สอนให้ออกหรอกมีแต่ดีโดยส่วนเดียวเนในระยะยาวเนี่ยนะ อย่างสมมุตินะแสดงการไปนะมมเดินทางวันนี้ก็ราบรื่นพรุ่งนี้ก็ที่พักก็สบายเดินทางไปอีกกราบรื่นแล้วอยู่แต่อย่างงี้มีคนต้อนรับตลอดอยู่งี้นะไม่รู้จะหยุดทําอะไรใช่ไหมก็ไปเรื่อยอย่างงี้ตลอดแต่ถามว่ามันไปอย่างงี้ได้เรื่อยไหมล่ะจริงๆแล้วไม่ใช่คือถ้ามองลักษณะว่าชีวิตในวัฏะแบบที่เรามาเนี่ยนะอย่างชีวิตที่เราดําเนินกันมาอย่างเงี้ยจะเห็นว่าชีวิตในวัฏะ ค, คล้ายๆกันว่าถ้าไปอย่างนี้แล้วดีจริงไม่รู้จะกลับบ้านทําไมใช่ไหม ถ้าไปอย่างนี้ได้ตลอดแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, ยเยนี่ยนะถามว่าน่ากลับไหมบ้านบอกเอาแล้วนะสุนทรภาริไม่ปอบปิ๊กแล้วอยู่นี่แล้วอย่างนั้นไปเรื่อยแล้วเพราะได้ดีแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เนี่ยยังไงก็ต้องปิ๊กอะบรอางนั้นเนี่ยคือวัฏฏะเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆะถ้าหากว่าอยู่วัฏฏะแล้วเนี่ยนะมันปลอดภัยโดยประการทั้งปวงดีโดยประการทั้งปวงพองษ์ไม่สอนให้เราออกหรอกเพราะพองษ์เป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาว่า จักสแสวงหาประโยชน์และความสุขให้แก่สัตว์ทั้งหลายพันประโยชน์สุขที่แท้จริงนั่นความสุขที่แท้จริงอย่างเช่นว่ามันก็ต้องไม่มีทุกข์สิถ้าสุขที่แท้จริงมันก็ต้องไม่มีทุกข์แล้วทุกข์มันคืออะไรนะไล่ไปไล่มาเนี่ยทุกอย่างมันเป็นวัตถุแห่งทุกข์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จริงจะเรียกว่าสุขจริงแต่อาการไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกอุเฉทาวาทีก็บอกว่าถ้าทําให้ตายซะมันก็จบกันสัสตาวาทีบอกมันตายไม่จริงอ่ะ มันไปเรื่อยอย่างนี้แต่ท้องผู้เจ้าบอกว่า่วกนี้นะธรรมชาติอุปาทานขันละห้าเหล่านี้ทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าดับเหตุได้ทุกเหล่านี้ก็ดับนะก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ครับพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ซึ่งอย่างว่าเป็นวิสัยของผู้สั่งสมบุญในขณะเดียวกันนั้นหมู่สัตว์เนี่ยสั่งสมบุญเยอะสังเกตดูจากอะไรไหมพุทธคยานี่ประชาชนไม่ได้ลดลงเลยมากเขาเหล่านั้นมากราบไหว้ เขาเหล่านั้นก็ชื่อว่าสั่งสมบุญเพื่อความพ้นทุกข์แล้วแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยอาจจะขอทําบุญแล้วขอรวยขออะไรก็ช่างเถอะแต่ถ้าอิงๆพระนิพพานเอาไว้หรือน้อมเคารพจิตโอนตามต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพรักเขาก็ชื่อว่าสั่งสมอุปนิสัยเพื่อความพ้นทุกข์ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นถึงไม่รู้คุณก็ตามเถอะขอให้เขามีจิตโอนไปในพระพุทธเจ้านะถึงไม่รู้จักพระพุทธเจ้าดุดนกฮูก นกหูกตากลมตาใสเห็นแล้วก็มองพระพุทธเจ้าด้วยใจรักประคองปีกยกไว้อ่ะยานวิปยุทธ์ไม่ไมีความรู้อะไรหรอแต่พระองค์บอกวันนั่นจะเป็นปัจจัยแห่งสุขติตลอดกี่กับเป็นแสนกลับแล้วก็จะบรรลุปเป็นพระปัจเจกเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีคือเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วอย่างผู้ที่ถ้าเป็นทธรม ร, ร, ธรมของพระองค์ถ้าเป็นทธรรมของพระองค์จริงๆเนี่ยขอให้ฟังแม้กระทั่งชอบว่าเสียงนี่เป็นธรรม ชอบฟังอ่ะนะทั้งๆ ท, ที่ฟังไม่รู้หรอกแต่ชอบฟังแบบอะไรแบบกบก็ได้มันดูกะเทพบุตรหรือแบบคั้างคาวอ่ะนะข้อยังไปดีเลยหรือขอให้เลื่อมใสายในความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ที่รียกว่าแม้กระทั่งให้มาพราบอยู่ลูกเดียวก็ยังเป็นปัจจัยแห่งความสุขต่อไปเลยที่ที่กล่าวไว้ในวิมานวัตถุเพราะอะไรเพราะความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วพระธรรมที่พระองค์สอนเป็นธรรมอันดี พระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตโอนไปหาพระองค์เนี่ยยังไงก็ทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ปัญหาว่าไม่ออกนอกทางเงนเกินไปนะถ้าออกนอกทางอะไอย่างว่าแต่ว่าถ้าออกนอกทางถ้าได้ตั้งอัธยาสัยที่ถูกทางไว้แล้วนะถึงออกก็ออกไม่นานถึงนานก็ยังกลับเข้ามาใหม่ะก็อย่างไงก็ก็อย่างนี้แหละว่ตาต่มันเป็นอย่างนี้ถ้าปลอดภัยโดยประการทั้งปวงพระองค์ไม่สอนให้ออกอยู่แล้วแต่ทีนี้ ก็ตั้งอัธยาศายตั้งความปรารถนาเพื่อการออกก่อนเนี่ยนะถึงออกยังไม่จริงก็ต้องตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะจะออกเนี่ยนะแล้วก็กรยิมในการออกว่าการออกเป็นสิ่งที่ดีะผู้ที่ได้ยินว่าการออกเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะพอฟังว่าเขาบรรลุจะปีติเออเนี่ยนะเขาดีเนี่ยข้อมาเนี่ยถ้าฟังคนอื่นเขาเขาเข้าใจธรรมะอะไรในใ น, ในหลายๆส่วนเนี่ยนะเออเราดีใจเลยนะโดยที่ ไม่ต้องอะไรเลยนะเราดีใจทันทีเลยว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะเขาเขาสามารถปะคับประคองตัวเองได้อะไรได้เนี่ยเราดีใจทันทีเลยแต่ถ้าเอาทุพตัวเลยแล้วก็อะไรก็ไม่ค่อยรู้สงสัยเต็มไปหมดแล้วก็โอ้แทอย่างงี้นะเจริญกรุณาได้ทันทีเลยนะว่าเดือดร้อนงงงงอะไรอย่างเงีๆๆ้ยก็ถ้ามีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรจะให้คุณหลานแจงตารางพรวงนี้เลยเนาะเจนทาน